สองสารโลกที่สูงที่ถูกวัต จ, จักรครอบมั่้กลายเป็นวัตจิตเป็นจิตที่หมุนเวียนนี่ไม่มีวิชาใดในสาสามแดนโลกภาสต์นี้จะแก้จะถอดจะถอนชั้นล้างมันได้มีวิชาทำเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกับโลก ยังไม่เคยสาบสูญไปจากโลกสมมุติอันนี้เพราะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับร้อนกับหนาวมืดกับแจ้งเป็นเครื่องแก้กันอย่างนี้ธรรมท่านว่ามีอยู่ตลอดอนานตกาลแต่ก็อาศัยพูดที่จะคิดค้น ขึ้นมาใช้ประโยคที่นำมาต่อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้แก่สัตว์โลกโดยบายวิธีการแนะนำสังสอนและการปฏิบัติเป็นยุกยุกคราวคราวไปธ่วะพระพุทธเจ้าอุบัติแต่ละโพงโพงก็คือ ทรงนำธรรมะหรือฟื้นธรรมะที่เป็นของมีอยู่นี้มาทำประโยชน์แก่โลกนั่นแหละนี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐโดยหลักธรรมชาติและน่าว่าเป็นบุญวาสนาบารมีของเราอย่างยิ่งที่จะได พยายามตักตวงเอาคุณงามความดีมาแก้สิ่งลามกข้างหลายออกจากใจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะโอกาสก็อำนวยเต็มที่แล้วในนังบวชของเราเฉพาะเมืองไทยนี้นักบวชเป็นผู้มีโอกาสมีอิสระมากยิ่งกว่าใครๆเพราะทางบ้านเมืองก็ให้โอกาส ทั้งความเคารพนับถือไม่กล้ามาแต่ต้องอัจเอื้อมพระเราโดยจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะผ้ากาสสวพั้หรือผ้าเหลืองนั้นอันเป็นเครื่องหมายอย่างท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าปกคลุมหุ้มหอ่อนักบวชคือพระของเราอยู่แล้ว หากเราจะสังสมพิฐีมานะขึ้นในความเป็นพระโดยสำคัญหรือโดยอ้างตนว่าเป็นพระเราจะสังสมกิเลสให้มากมูลยิ่งกว่ากรวาสก็ได้อย่างเต็มหัวใจไม่มใีใครเกินพระมีปูดถึงการไม่คิดในแง่เดียวว่าพระนี้เป็นเพศแห่งกรรม ชำระศาสสงเป็นเพศเสียสลัแต่กลับกลายเป็นเพศสั่งสมกิเลสปัญหาอาสวะขึ้นมาภายในจิตใจเพราะโอกาสอํานวยก็ได้ว่าความสําคัญนั้นอาศัยโอกาสอาศัยเพศเอํานวยขึ้นมาให้ทําความชัวช่วช้าละโมกขึ้นภานในตัวได้โดยไม่ต้องสงสัย เพเป็นไปได้ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่บวชแล้วจะไม่ทำความชั่วกิเลสมันไม่เคยขึ้นกับว่าการบวชหรือไม่บวชเพราะกิเลสไม่ได้บวชกับใครไม่มีใครเป็นอุปชากิเลสได้เลยนอกจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องปราบกันเท่านั้นสมัยปัจจุบันนี้ ทั้งที่าศาสนธรรมของพระพุทธเจา้าก็ประกาศกังวานอยู่อย่างสดๆ ด, ด้อนๆเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานบุญบาสนารกสวรรค์หรือว่าผลนิพพานประกาศกลงวานอยู่อย่างสดๆ ด, ด้อนๆแต่เพราะทำเหล่านี้อยู่ในถ้ำกลางแห่งขั้วสุดคือฝ่ายต่ําได้แก่กิเลส ซึ่งครอบงำอยู่ทุกหัวใจไม่เลือกน้นมันมีอำนาจสามารถที่จะผลักดันความรู้ความเห็นอันที่มันบรรจุไว้อย่างเต็มที่แล้วนั้นออกมาทางกายทางวา จ, จาความประพฤติต่างๆซึ่งเป็นการลบล้างศาสนธรรมรสุดร้อนๆของพระพุเทธเจ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันนี่เวลานี้กาลัง บาปก็ไม่มีเสีแล้วเพราะธรรมชาติที่ปิดหวัวใจของสัตว์โลกนั้นมันปิดให้มืดให้ดำมันมิดไปหมดไม่ให้เห็นบาปไม่ให้รู้บาปทั้งๆ ท, ที่ใจก็รู้ๆแต่ไม่ไม่ให้รู้ว่าเป็นบาปให้รู้แล้วให้อยากทำในสิ่งที่ ธรรมชาตินี้ต้องการเท่านั้นบาปจึงไม่มีไม่เชื่อว่าบาปมีไม่เชื่อว่าบุญมีไม่เชื่อวัานนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมี ท, ทั้งทั้ตธรรมเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มีประจําโลกประจําธรรมมาเป็นเวลานานจนไม่มีใครสามารถอาจนับได้ สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโลกก็ไม่ควรจะมีทกุก็ไม่ควรจะมีในหัวใจสัตว์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์แบกหามอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จะเป็นหัวใจใดร่างกายใดที่ไม่มีความทุกข์มีเลอ ร่างกายก็เป็นพัฒนาของทุกจิตใจก็เป็นพัฒนาของทุกเพอเชื่อของทุกฝังอยู่ที่ใจต้นลำของมันเกิดอยู่ที่ใจนั้นจะไม่มันผลิดอกออกผลมาอย่างไรมันต้องผลิดอกออกผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนี่มีอยู่ที่ใจและกายของสัตว์ธรมมรมากไม่มีหรือบาปไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรจะมีในสัตว์แต่สัตว์ก็แอกถามกันอยู่ แล้วก็ถูกปิดกั้นไม่ให้เชื่อนในบาปในบุญในนรกสวรรค์ไปเสียนี่จชิ่อว่ามันละเอียดขนาดนั้นนะไม่ให้สัตว์รู้เลยถ้าต่างคนต่างรู้ว่าสิ่งอย่างนี้เป็นโทษใครจะมานอนจมโทษอยู่เรานอนอยู่ในถ้ำเสือที่มันกาลังกำงับคออยู่แล้วใครจะไปกล้าล้องเพลินอยู่ในถ้ำเสือเช่นนั้น ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่เท่าที่ได้เพิดเพลินอยู่นั้นก็เพราะไม่ทราบว่าถ้านั้นมีเสือและถ้านั้นเป็นไัยจึงต้องได้รับยไยเรื่วด้วยมาเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองแต่ลงว่ากิเลสเป็นไัยในหัวใจด้วยอัดด้วยธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นได้สอดส่องมอง เห็ไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่รือเต่าล้านเลนของเสือร้ายได้แต่กิเลสตัวเพศต่างๆจนกระทั่งถึงเสือคร่งใหญ่หรือยักษ์ใหญ่คืนสัตว์ทั้งสามแดนโลกฐานนี้ไม่มีวันอิ่มพอคืนแล้วตายเล่าลายแล้ ว, ค, ล ว, ค, ลวคืนคืนแล้วกืนนอนหากได้รู้อย่างนี้แล้วใครจะไม่ตะเกียบตะกายหนีจาก แดนแห่งความเป็นอาหารของสัตว์ประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาได้ต้องตะเกียกตะกายสุดเหวี่ยงแขนขาดถ้าขายัางมีก็จะต้องตะเกียกตะกายจนกระทั่งไปไม่รอดจริงๆหมดความหมายจริงๆแล้วถึงจะหายใจปลาให้มันงับให้มันกลืนไปนี่ผู้ปฏิบัติทรรมในเบื้องต้นที่ไม่รู้เรื่องกิเลสว่าเป็นไผ่ย่อมจะเพลินในกิเลส หลงในกิเลสติดในกิเลสเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีความชางังความเกลียดความโกรธเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีอย่าว่าแต่ความรักมันทำให้ติดสิ่งที่ดึนลับออกจากความรักมันก็เป็นเหตุให้ติดมันถึงติดได้ เราเราถ้ารู้ว่าสิ่งล่านี้เป็นภัยใครจะมาฝืนรักฝืนโกรธฝืนเกลียดมันไม่รู้เพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านี้ไม่มีสิ่งที่ควรให้รู้ให้เห็นสิ่งตัเหล่า น, นี้ว่าเป็นภัยจึงจ้องยอมจมกันอยู่อย่างนี้ทั้งท่านทั้งเราสัตว์ทุกประเภทไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถจะเข้าใจได้เลยจึงไม่ส่อแสวงหาทางออก แล้วปล่อยให้เป็นอาหารของมันอยู่เป็นประจำประจำทั้งสามแดนโลกธาตุไม่มีกิต ด, ดวงใดสัตว์ตัวใดที่มัจะไม่อยู่ในความเป็นอาหารของธรรมชาตินี้ให้กลืนอยู่ตลอดเวลาได้นี่เราจะเห็นได้เวลาการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกก็เกิดความเชื่อความร่มไสยนี่คือคืออุปนิสัยที่ฝังอยู่ภายในนั่นแหละกับตัวพีตตัวภัย อยู่ในใจดวงเดียวแต่เป็นธรรม อ, นนอันนั้นเป็นค่าศึกอันนี้เป็นคุณแค่ น, นี้อยู่ใจดวงเดียวเช่นสัตว์ผู้ทําดีได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นการเป็นเวลาเป็นทบเป็นชาติไปเหล่านั้นร้วนแล้วแต่คุณธรรมที่เป็นฝ่ายดีบันดนบันดาลพาให้เจาะให้สแสวงหาให้บำเพ็ญก็ได้อาศัยนั้นแหละไปเพราะตอนนั้นยังไม่มีกาลังมาก เมื่อได้บำเพ็ญให้มีกำลังมากเข้าไปเฉพาะย่างยิ่งกิตตภวนาที่เป็นวิธีการหรือเป็นงานที่จะบุกเบิกเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโทษทั้งคุณให้เห็นประจักษ์ชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเริ่มบำเพ็ญก็ตะเกียบตะกายคอยที่จะล้มกับมันอยู่จนได้ทั้งที่เราก็ทราบจากการได้ยินได้ฟัง ว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความทอดแท้เหล่านี้เป็นเรื่องขวงฝ่ายต่ําที่ปักเสียบขวานหนามไว้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ทราบแต่มันไม่ถึงใจเพราะยังไม่เห็นได้ยินแต่คาบอกเล่าจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตานาเฉยยังไม่เห็นด้วยตาของตัวเองมันก็ยังไม่ฝังใจเชื่อต่อเมื่อได้ปฏิบัติ อัธรรมเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมได้ปรากฏขึ้นภายในใจใจจะเปลี่ยนสภาพความรู้สึกขึ้นมาแปลกๆต่างๆจากความเป็นเดิมข้างตนเข้าสู่ความสนใจเข้าสู่ความเชื่อในสมถะธรรมหรือในธรรมทั้งหลายไปโดยลาดับนี้คำว่าสมาถะสมถะธรรมก็มีหลายอาการมีหลายขัน้นหลายผู้ สมาธิธรมที่มีความสงบปรหนึ่งราวกับว่าขาดสะบั้นไปหมดจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องก็มีในบางการมาเวลานี่ก็พอที่จะถือเอาเป็นความอัศจรรย์ความฝังใจในอ ร, รยิยรศรัทธาเชื่อต่อมรรคต่อผลได้โดยไม่ต้องสงสัยขั้นหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นกําลังเพิ่มขึ้นมาแต่นั้นก็เห็นคุณค่าอจิยรรยัทาฝังใจในผลที่ตนได้เคยปรากฏแล้ว แม้วันหลังวาระต่อไปหยิตจะไม่ได้มีความสงบอย่างนั้นก็ตามแต่ความเชื่อที่เคยเป็นแล้วอย่างนั้นถอนไม่ขึ้นไม่ยอมถอนฝังลึกลงไปเรื่อยๆเชื่อแน่แล้วความเพียรความตะเกียบตะกายก็มีกําลังขึ้นมาเนี่ยที่ว่ามีทำเครื่องส่องมีทำเครื่องเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงกันหรือเป็นคู่แข่งกันกันกบฝ่ายอาธรรมที่เคยเหียมนาจ ครอบหวัวใจเรามานานให้แต่เกิดแต่ความพุ่งสร้านลำคัญก่อพลวยตความทุกข์ขึ้นมาเผาลกุกจิตใจไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวฤดูกาลใดๆมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเมืเ่อมีทำเป็นเครื่องเทียบเทียมเป็นเครื่องทดสอบเป็นคู่แข่งกันแทรกกันเข้าไปแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราอ๋อแต่ก่อนจิตเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น เป็นทุกอย่างนั้นนั้นเห็นโทษของมันในขณะเดียวกันแล้วบัดนี้จิตได้ปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาและเย็นใจขึ้นมาจนถึงใจนี่เป็นก็เป็นเครื่องเป็นคุณค่าที่จิตเกิดความเชื่อความรุ่มใสความอุตส่าหพยายามมาพร้อมพร้อมนี่ถ้าเมื่อมี สองแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราของสองสิ่งย่อมเลือกของสิ่งเดียวไ ม, ยไม่ทราบจะเลือกอะไรกไม็มีอันเดียวมองในหัวใจมันมีแต่ไฟอย่างเดียวจึงไม่เคยปรากฏว่าจะมีน้ำมีความเย็นเข้าแลแ้วแฝงเป็นคู่แข่งบ้างเลยแต่พอได้ปรากฏสมถะธรรมเป็นน้าที่เย็นําภายในจิตใจแล้วย่อมมีทางคิดคนเรา อุตส่าห์พยายามมีจิตค่อยเคลื่อนไหวตัวเองมาโดยลำดับอย่างนี้จากพื้นพื้นจิตที่มีความสงบเย็นใจจิตมีสมาธิย่อมมีความเพียงผิดกันกับกจิตที่ไม่เคยมีสมาธิมีความสงบเลยอยู่มากมายหากเป็นปรรดจิตดวงนั้นเอง แล้วขยับไปสู่ด้านปัญญาคำว่าปัญญาทุกทุกท่านก็จะเข้าใจแล้วเพราะหนึ่งในตำหรับตำนามมีเต็มไปหมดอยู่แล้ว 2. ก็เคยได้ยินได้ฟังได้อธิบายให้ฟังแล้วปัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดความคิดแยบคายไตรตรองในเหตุในผลในสิ่งดีชั่วที่สัมผัสสัมผั์มาสัมผัสสัมพั์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราหรืออารมณ์ อ, อดีต อนาคตอะไรก็แล้วแต่ถถ้าเคยเป็นกิเลสก็เป็นปัญญาธรรมได้เป็นมากได้เหมือนกันในสิ่งนั้นมันพิกลกับตัวเอง<ม>เริ่มตั้งแต่พิจารณาอาสุภาอาสุพังในสกรนักกายของเราและของคนอื่นสัตว์อื่นดังท่านให้ไปเยี่ยมป่าช้าล้วนแล้วแต่พิจารณา กองอสุภอสุพังกองทุกขังอนาตตาที่โลกทั้งหลายเสกสรรปัญนยอเพราะอานาจของกิเลสว่าเป็นของดีวิเศษวิโสมีคุณค่ามากแน่นน้ํามั่นคงกีรังสาววังมีความสุขความเจริญเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฮารวันสิ้นซากวายชนไปไม่ได้แก้สิ่งเหล่านี้ด้วยการพิิจพิจารณาในอนุอสุภะอสุพังทุกขังอนิจังอนาตตาลบล้างความจําปลอมทั้งหลายเหล่านี้ เื่ต้นก็เห็นภายนอกก่อนก็มีดังส่นสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือพิจารณาเพราะเห็นอาการของสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นอย่างไรแล้วกอเทียบเข้ามาสู่ร่างกายของตนทุกๆอาการก็ปเป็นไปได้อย่างนั้นเกิดความมั่นใจขึ้นมาทีนี้ได้ถือเอาสกุลนาการของตนนี้เป็นแดนป่าช้าภายในตัวเอง แล้วแยกแยกไปตรงไหนกับส่วนภายนอกภายในได้กันทุกสัว์ทุกส่วนแต่เป็นอสุภะอสพังก็เหมือนกันอเป็นรายรักคืนน่นีจังทุกขังน้ำตาก็เหมือนกันนี่คือปัญญาเริ่มออกก้าวเดินส่วนมากจะ ก, ก้าวเดินไปแถวรูปกายนี้่สําคัญเพราะกายนี้เป็นประเภทที่หนักหน่วงมากถ้าพูดถึงเรื่องติดก็ติดมากหนักมากรักก็กระเทือน ทางก็กระเทือนเปรียดโกรธกระเทือนเพราะวัตถุนี้อยากอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในทางดังกล่าวนี้จึงกระเทือนมากมีแต่อารมณ์อย่างรุนแรงแต่เมื่อได้พิจารณาเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับซ้ำๆสาบๆดังเคยพูดแล้วในเทศน์ในหนังสือก็เคยเทศให้ฟังารมมรุ้กี่พันกี่หมื่นครั้งแล้ว จิดย่ำจะเข้าใจในความจริงเพราะความจริงมีอยู่โดยแท้เป็นแต่เพียงความจําปลอมที่เสียขันปั้นยอจากที่เลกนี้มันทับมันถมหนาแน่นเกินกว่าจะพิจารณาได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวจึงต้องถากแล้วถากเล่าชำลายแล้วทำลายเล่ลาลขุดแล้วขุดเล่านั่นถึงจะถึงความจริงขึ้นมาได้ เมื่อพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นภานอกก็าตามภายในก็าตามประจักษ์ใจเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็เช่นเดียวกับจิตที่ได้รับไม่เคยได้รับความสงบแต่มาสงบให้เห็นประจักษ์และสงบอย่างแนบแน่นด้วยจนเจนเหตุให้ฝังใจเกิดความประจับใจความรู้ทางด้านปัญญานี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้น น่จาจะฝังรากลึกลงไปอย่างลงเป็นอาจารนาัธาในทางปัญญาไม่ลดละทอ้อถอยคราวนี้พิจารณาได้อุบายอย่างนี้ขึ้นมาคราวต่อไปพิจารณาได้อุบายอย่างนั้นขึ้นมาส่วนที่จะให้เป็นแบบเดียวกันจริงๆนั้นมันไม่ได้แน่นอนนะนักปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะขาดสมายในผลที่เคยเป็นมาแล้ว โดยการพิจารณาโดยอุบายใดก็ตามปรากฏให้เป็นอันญาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอสุภาษสุพรรณทุกขังจังหวะตาต า, ตามส่วนมากไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าจะมีการย่าย้ายผันแปรไปเรื่อยแต่อยู่ในวงอันนี้วงอสุภาษสุพัรณวงในจังทุกขังนาตานี้เทั้งนั้นแม้ต่างก็ต่างโดยอาการหลักใหญ่เป็นอันเดียวกันแต่เป็นอย่างไรก็ตามยิ่ย่ยอมจะเชื่อ ไปตามนั่นเมื่อถึงขั้นที่ควรเชื่อถึงขั้นที่จะฟังควรฟังลงสู่ความจริงแล้วจิตย่อมฟังลงทันทีทันทีเพราะปัญญาพาให้ฟังปัญญาพาให้รู้ปัญญาพาให้เข้าใจความจริงทั้งหลายจิตเป็นผู้ก้าวเดินตามปัญญาเท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ต้องหาถูกจําจองอยู่ด้วยกิเลสทันหาสะวะประเภทต่างๆปัญญาเป็นผู้ชักจูงเป็นการปัญญาเป็นผู้รื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออก ให้จิตเบาภาละลงโดยลําดับลำดาจนจิตปัญญารู้แจ้งชัดเจนไปโดยลําดับลำดานั่นแหละที่นี่ปัญญาก็เป็นอรจระศรัทธาของปัญญาเหนนี้ไม่ว่างงานเลยถ้าลงได้จับไตร ล, ลักษณ์ขึ้นพินาจารณาจะเป็นไตร ล, ลักษณ์ใดก็ตามจับอสุภาษุพังขึ้นพิจารณาจนประจักษ์ใจได้เพียงครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งต่อไปจะกระจายตัวออกไปขยายออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆคำว่าทุกครั้งก่อนมีความละเอียดเข้าไปอันนี้จังอนาาัตตาละเอียดเข้าไปตามลําดับตําราของสภาวธรรมนั้นๆและความรู้ความเห็นของสติปัญญาที่อย่างทราบตามกําลังของตนจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสิ่งเหล่นั้นยิตก็เปลี่ยนสภาพอาการของจิตเปลี่ยนสภาพเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆื่เข้าไป ปัญญาที่กล่าวนี้เราเบื้องต้นเราต้องอาศัยอุบายวิธีการจากครูจา ก, จากอาจารย์คอยแนะนาคำสอนแล้วเป็นภาคปฏิบัติคือนาไปปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเมื่อในปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวนี้แล้วนั่นหละที่นี่ปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นมาเองจะหมุนตัวอยู่ภายในสิ่งสัจจะวงสัจธรรมนี้ไม่ลดลนะท้อถอย มีเราพิจารณาย้อนหลังไปถึงเรื่องความทอดแท้อ่อนแอความตําหนิจนว่าอำนาจวาสนาน้อยคาคนเป็นคนงคูกเขาบอปัญญาเหล่านี้จะหมดไปหมดไปความขี้เกียจอ่อนแอนี้จะหมดไปก่อนเพื่อนอืความทอดแท้หลายๆต่างๆจะหมดไปโดยลําดับลำดาความว่ามีอํานาจวาสนาน้อยงูกเขาบอปัญญานี้ก็ค่อยหมดไปเหมือนเหมือนกัน จะมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็งในการที่จะทําจิตนี้ให้ดูดพ้นจากทุกหรือให้รู้ตามความจริงในสภาวธรรมทั้งหลายดังที่เคยรู้เห็นมาแล้วเป็นลําดับจะให้รู้ละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งเข้าไปยิ่งกว่านี้จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยความมุ่งมั่นโดยความขยันหมั่นเพียรของจิตนั่นเองนี่เป็นจิตเป็นอัตโนมัติของความเพียรเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญา ของความอดความทนกลายเป็นจ ต, ตุนมัตดประดังๆกันหมดสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อย้อนไปพิจนารณาแล้วจึงได้ทราบชัดว่ามันเป็นกิเลสทั้งหมดความกลัวเป็นกลัวตายเหล่านี้ไม่ใช่อะไรปักเกียบขวากหนามเอาไว้มีแต่กิเลสท้งนั้นสลับซับซ้อนย้อนหน้าย้อนหลังกระดิบฟิกแพงพัดไหนถูกแต่ขวากหนามของกิเลสในระยะที่ที่ควรจะถูกในระยะที่ จากบุล้อมเข้ามันไม่ได้เมื่อได้ก้าวกิจเข้ามาเช่นนี้แล้วเราพิจารณาย้อนหลังจะเห็นได้ชัดเจนดังที่กล่าวมานี้และความมุ่งมั่นที่จะทํากิจให้มีความบุดพ้นนั้นมีกําลังมากความมุ่งมั่นนี้เป็นแม่เหล็กอันสําคัญทีเดียวเนื่องมาจากความได้รู้จริงเห็นจริงในสรัธาวัฒน์ส่วนต่างๆเป็นเชื้อของกิจให้เกิดความเชือ่อให้เกิดความสังใจและความมุ่งมั่นซึ่งเคยมีอยู่แล้ว ก็เพิ่มกําลังขึ้นสุดท้ายความมุ่งมั่นนี้จะพุ่งพุ่งดึงไปหมดความว่าเป็นกลัวตายไม่มีเหลือนี้จะเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่สนใจขอให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นคุณและที่เป็นภัยทั้งหมดนี้ไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันจนกระทั่งถึงแดนสว่างโลกโถงปร่งไปหมดคือเรียกว่าอาวากาศของธรรมอาวากาศของจิตมีเท่า น, านั้น น, นี่เรียกว่าเป็นปัญญาตโนมัตปัญญานี้เป็นกิจตภาวนาสร้างขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรในขณะที่ผิดที่คิดที่พินิษพิจารณาวิธีการต่อสู้กับข้าสึกคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะผิดตัวขึ้นมาเองให้ทันกับเหตุการณ์มันั้นช้าบ้างเร็วบ้างมีได้เป็นไปได้แล้วมีครูบาอาจารย์คอยแนะ เช่นอย่างติดปัญหาอย่างนี้เป็นต้นที่ดังสาวกท่านติดปัญหาจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างพระอญยตระพิกขุเป็นตัวอย่างพอเดินไปใต้ถุนพระคตะกุฎีกษษษษษ็พอดีฝนตกขึ้นทูลถามปัญหาจามมาดาก็ยืนอยู่ข้างล่างตอนนั่นจิตของท่านเป็นสติปัญญาของท่านพิจารณาธรรมีตลอดเวลาอยู่แล้วเข้าทําภูมิกิตุนธรรมอันละเอียด เป็นความเพียรอัตโนมัติอยู่แล้วเมือ่อฝนได้เห็นฝนตกน้ําฝนหยดย่อยลงมาจากชายคามากระทบน้ําข้างล่างตั้งเป็นฟองเป็นต่อมขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปอาศัยความกระทบกันแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่าเราเทียบถึงเรื่องความปรุงความแต่งภายในจิตที่เรียกว่าสังขารจิตนี่มันเกิดขึ้นจากจิตสังขารความคิดความปรุงอันนี้เกิดขึ้นไปดับ คิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรมีแต่เกิดกำดับเหมือนกับน้ําตกลงมา ม, มากน้อยมีแต่เกิดกำดับเกิดกำดับเพียงเท่านั้นเท่านั้นท่านย้อนเข้ามาพิจารณานี้ได้ความบรรลุธรรมจะในขณะนั้นโดยอาศัยน้ําเป็นต้นเหตุเลยไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอฝนตกพอฝนจุดเทนั้นก็กลับไปกุฎีของตอนนั่นเพราะอะไรเพราะเมื่อเข้าถึงที่ถึงฐานแล้วสันติโกนี้ประกาศตังวาณในตัวเอง ประตูนถามพระพุทธเจ้าทำไมเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันประทูนถามท้านทำไมนี่ก็เหมือนกันเมื่อถึงวาลาที่จะเป็นสติปัญญาขึ้นมาแล้วต้องเป็นเช่นนั้ น, นเมื่อคล้องใจดูใกล้ครูใกล้าอาจารย์ดูใกล้พระพุทธเจ้าใครอยากจะไปช้าใครอยากจะไปจักช้าไม่เสียวเวลาเวลาก็ต้องพุ่งตัวเข้าถึงพระองค์ท่าน แล้วพุ่งตัวเข้าถึงครูอาจารย์ใหท่านแนะนําเพราะท่านรู้ก่อนเห็นก่อนมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอเล่าเรื่องนะั้นความเป็นทต้ทนถวายท่านท่านจะกระจายเอาให้ฟังทันทีเลยแล้วก็ผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาวาเหมือนเราต่อสู้โดนลมพับบงเราเองนั่นเลยนี่อ่ะของสำคัญสิ่งสําคัญในการพิจารณาเนเราอาศัยท่านเป็นบางการบางเวลา ที่เกิดข้อข้องใจในระหว่างกิเลสกับธรรมที่กําลังต่อสู้กันยังหาที่ทางแยกทางแยะหาทางแพ้ทางชนะกันแน่กําลังต่อสู้กันเมื่ออาศัยครูอาจารย์คอยแนะหลังจากเราได้ถวายธรรมท่านแล้วจะเข้าใจทันทีจากนั้นเราก็ตะลุมบอลของเราเองหากเป็นไปเอ ง, เองจะกดเปลื้องกันไปในตัว เรื่องปัญญาขั้นนี้พูดไม่ได้ว่ากว้างแคบขนาดไหนละเอียดแห้มคมเพียงไรพูดไม่ถูกเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสละเอียดแค่ไหนสติปัญญาก็ต้องตามตามกันไปโดยลำดับันดาผลสุดท้ายกับสติปัญญาต้องเหนือกว่าไม่เช่นนั้นวัตจิตวัตจักอวิชาปัญญาสัางคาราจะพังทลายลงไม่ได้อ น, นี้ต้องเหนือนะนี่นี่เียกปัญญาโฉมมาก ในครั้งพุทธการท่านนำหาสิกขิมาปัญญาเหมือนกับว่าสุดเอื้อมหมดหวังเวลานี้ชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าปี น, นิพผ่านไปสองพันห้ารอปีแล้วนู่นไอกิเลตมันหลอกไปสองพันหร้อยปีนั่นแต่กิเลตตั้งโจมยินในใจนี้มากี่ปีกี่เดือนมากี่กับกี่กันทําไมมันมาเห็นคืบมาเห็นล่าสมัยมาเห็นเป็นการเป็นนานอะไร นี่มันเสียเปรียบมันตรงนี้เองมันหลอกไปนู้นไปเมืองอินเดียนู่นไปทาที่วิเจัดจัดไว้หลายปีมาแล้ว น, นู้นนะกิเลสมันอยู่นี่กี่ปีกี่เดือนมันไม่ให้คิดเราเสียโง่งมันโดยลาดับลำดาธรรมะที่โปงจัดไว้นั้นจัดไว้เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อชำระสาสางเพื่อฆ่ากิเลส แล้กิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสมันไปอยู่อินเดียนั่นเหรอกิเลสมันตายพร้อมกันกับพระุทธเจ้านิพพานนั่นเหรอกิเลสมันตายตั้งแต่สมัยนั่นเหรอือนั่นมันเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจทํามากเมื่อเจ้าออกจากไหนไม่ออกจากใจนั่นทุกข์อยู่ตรงไหนสมนุทัยอยู่ตรงไหนมรรคเนรโรดจะไปอยู่อินเดียได้ยังไง ถ้าไม่ใช่ให้กิเลสมันใส่ยาพิษให้เป็นบ้าไปเมืองอินเดียอินโดนเราก็ไม่ควรจะเป็นบ้าไปนู้นถ้าไม่ถูกกิเลมันสั่งยาพิษให้เป็นบ้าฉีดยาบ้าเข้าไปแล้วเป็นบ้านันหมดเนี่ยแลราก็เลยผลสุดท้ายก็สุดเอื้อหมดหวังพุทธศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อ ทำก็มีแต่ชื่อแต่กิเลสมันมีเต็มตัว น, นี่กิเลสได้เปรียบตลอดเวลาเอาพิจารณาตามความจริงทุกสมุทัยอยู่ตรงไหนมัรคสมาทิสมารส์สงโปรมีสมาสัมมาธิที่สุดอยู่ตรงนั้นแน่ท่านสอนไว้ตรงนี้สดสดร้อนๆสนมมาทิทฐิสม า, ส, มาสิงโปรหมายถึงองค์ปัญญาสมาสตินั่นนี่คือเครื่องฆ่ากิเลสผิดขึ้นมากิเลตอยู่ที่ตรงไหน อยู่ที่จิตมากกับผิดขึ้นมาที่จิตค่ากันลงที่จิตนี้ให้แหลกแตกกระจายไปที่นี่แล้วถามหาผู้ทีเจ้าที่ไหนเน อ, อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงไหนนะ่ะเนีก็เห็นตรงที่ความบริสุทธิ์สันติจิตโกประ ก, กาศกลางวันอย่งนั้นไปสงสัยส่ผู้ทีเจ้าที่ตรงไหนเนีนั่นยังชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพุทธเจ้าอันนี้มันมีกิเลสธาตุังคชาติมีเลยทีเราไม่รู้นี่ว่าเราเป็นกิเลสธาตังคชาติ มันหลอกทุกแ ง, ง่ทุกมุมธรรมะท่านบอกมัชชิ ม, มามัชชิ ม, มาปฏิปทามัชชิ ม, มาแปลว่าท้ำกลางเหมาะสมวิเลศประเภทไหนมานะผิดมัชชิ ม, มาขึ้นให้พอเหมาะกันกับการปราบวิเรศประเภทนั้นๆนี่มัชชิ ม, มากิเลศผลมามัชชิ ม, มาผลไปกิเรศผลร้ายมัชชิ ม, มาโหดดีฟาดกันลงไปเอาให้แหลกแตกกระจายไปทิ่วทีนี่ท่านเรียกว่ามัชชิ ม, มา ไม่ใช่แบบกี่พวกชาวพุทธทั้งเราทั้งหลายไม่ว่าท่านมาเรามันคิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละเพราะไม่ทางไม่เคยดําเนินเราไม่เคยเข้าต่อสู้กับสงครามเลยจึงไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธประเภทไหนประเภทไหนต่อข้าศึกชนิดใดประเภทใดมันจึงใช้ผีผีพภาดพลาคสุดท้ายก็แพ้ถ้าลงได้เคยเข้าต่อสู้กับข่าศึกสงครามมาแล้วมันฉลาดเองวิธีการต่อสู้ตลอดถึงจับอาวุธชนิดใดที่จะนํามา ต่อสู้กับค่าสุมันเข้าใจกันเองเข้าใจกันเองเหมือนนั่งมวยขึ้นต่อกันอะแพ้เขาที่ตรงไหนมันก็แก้มันเองไม่แก้ตายอย่ไม้มวยต้องการกันต้องแก้วิธีนั่นแก้วิธีนี้นี่แพ้คีเลตประเภทไหนกลงไหนก็แก้ตรงกลงนั้นกลงนั้นนั้นนี่ก็เหมือนกันมัชชิมาเป็นสิ่งแก้ล้ำกันกับคีเลตคีเลตประเภทไหนแสดงออกมาแพ้ด้วยวิธีการใดคิดขึ้นมามาคาราปฏิปทาคือ สติปัญญาผิดขึ้นมาให้ทันกันแล้วแก้กันไดตนน้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นแหละมัชชิมากางเารายิงสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินี้ด้วยแล้วไม่มีอะไรเหมือนความลึกซึ้งไม่มีอะไรลึกซึ้งเท่าความกว้างขวางไม่มีอะไรกว้างขวางพูดไม่ถูกขอให้กิเลสผ่านมาเถอะกิเลสมันจะอยู่ซอกไหนมุมหดจะตามต้อนกันได้หมด เมื่อถึงขั้นมันละเอียดแหลมคมแล้วนี่ทางพระเจ้าท่านแสดงไว้พอประมาณเท่นั้นแล้วแต่ผู้พิจารณาเจ้าของจะนํามาตอดถอนแกกิเลสของตัวเองภายนนใจซึ่งกิเลสเหล่านี้ท่านกรรมยุจจาจดจำได้ว่าในครรมปีมากมายหลายนะพอประมาณธรรมะที่เป็นเครื่องปราบกิเลสก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงขั้นสมรภูมิคือการลบพุ่งจริงชักับกิเลสด้วยภาคปฏิบัติแล้วหากจะรู้เองในเะจ้าของ กำลังวังชาปฏิบัติทางเกี่อวของหนักเบามากน้อยต่อกอนกับกิบเลสประเภทใดเป็นยังไรได้ผลอย่างไรแพ้อย่างไรชนะอย่างไรมันเป็นครูสอนโดยลำดับลำดาแล้วฉลาดไปในตัวจนกระทั่งถึงกิเลสพังหมดไม่มีสินใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากวัตตัหรเดือนจำได้แก่ธรรมชาติที่คุมขังในวัฏจักรนี้ ในหนงสือจะไดเขียนนะว่าอาวกาศของกีจอวกาศของต่ำเวิง้งวางหมดเครื่องดึงดูดแต่ก่อนอยู่ด้วยความดึงดูดบีบบังคับเอาไว้ตลอดเวลาอะไรดึงดูดมีกิเลสเท่านั้นดึงดูดพอกิเลสได้สินส้นซากไปหมดแล้วอะไรจะมาดึงดูดในโลกอันนี้ชามแดนโล ก, กทานนี้เราก็ไปว่าวเฉยๆเมื่อมันไม่มีสิ่งยึดสิ่งถือภ า, ายในกิจใจแล้ว ศักแต่ว่าไปอย่างนั้นเองว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่มีใครไปยึดไปถือมีแต่ความรู้ร้อนๆซึ่งไม่ใช่สมมุติแล้วมันจะไปกังวลกันหาอะไรนี่เวลาเลยการก็ไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นสมมุติอี น, นั่นเป็นอีมมูดคือดูดพ้นไปแล้วจากอย่างนี้มันจะมาเกาะเกี่ยวกันหาอะไรว่ามีก็มีไปตามโลกเขาอย่างนั้นเออมีเป็นก็เออเป็น ว่านั่นเ ป, น, เปนงั้นเป็นอย่างนั้นไปตามเรื่องของเขาเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเคยรู้อยู่แล้วทีนี้เวลามันถอนตัวเข้ขามาก็รู้อยู่แล้วว่าถอนตัวเข้ามาโลกนี้มันจะหนาแสนหน า, นานมันก็เป็นอวกาศไปหมดเถอยนภายใน จ, ใจิตใจไม่มีอะไรเข้าเกาะเข้าเกี่ยวเขายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าขัดเข้าขวางมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นพอกิเลสหมดไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ จิ <downs> ตเรธาตุขันนี้ก็เป็นขันร่วนๆไม่มีอะไรเข้าครองทาเข้าครองทาไม่ยึดนี่ทำไม่กดขี่บังคับธาตุธาตุขันทํานาธาตุขันเป็นเครื่องมือก็ทำประโยชน์ให้โลกควาสงสารไปขันจริงเป็นเหมือนหางจิ่งเหลนขาดพุกดิบดตรกิจตามธรรมชาติของตัวเองคือไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของไปยึดไปถือไปเป็นพิษเป็นไทแล้วกน วิชาปฏิยาสังขารนี่เป็นเป็นตัวสําคัญแล้วก็ให้เป็นสังขารป็ีญญาณใหม่เลยขันสั้งขานี้ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสเต็มไปหมดเลยกลายเป็นขันสังาก็เป็นกิเลสทั้งๆที่เป็นเครื่องมือก็เป็นกิเลสเพราะกิเลสครอบหัวมันพอกิเลสมันหมดไปแล้วขันห่านี้มันก็เป็นขันล้วนๆนี่ตอนท่านแสดงไว้ว่าเตสรูปะสมุสุโขฟังสิเราจะไปแปลในแง่เดียวกี้ขัระงับสังขาร ระงับสังขารอะไรเป็นความสุขอันอย่างยิ่งหรือเป็นความปู่ยิ่งใหญระงับสังขารอะไรทีให้มันเห็นปัจจุบันทันตาของเราในวงปฏิบัติก็ระงับสังขารที่เป็นตัวสมุทยัยคือระงับดับกิเลส ท, ทั้งหมดนั่นสิไม่มีเหลือแล้วสังขารนี่มักไม่เป็นสมุทยัยคิดปรุงเรื่องอะไรก็เป็นอิสระธรรมดาธรรมดาเป็นขันรุ่นรุ่นรูปก็ไม่มีใครมายึดมาถือ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างล่ะอย่างเป็นความจริงโดยหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวจิต ท, ที่บริสุทธิ์ดลล้วนจิตทำไมไปยุ่งไปเกี่ยวจิตก็จริงเต็มหัวใจของจิตเนี่ยนี่ว่าเตสร้างบุปผสมุสุขโภ ค, คาลระงรับดับเสียชึ่นสังขารอะไรนั่นเป็นความสุขั้างใะสุขปัจจุบันก็สุขเพราะสังขารอันนี้ไม่ควรไม่เสียดไม่แทงพลังงับสังขารนี้ไอ้ที่ ทั้งหลังทั้งขนันร่างกายทั้งสังขนันขันนั่นนั้นแล้วหมดแล้วก็เตะสังอุปสมุทร ส, สุโ ค, โคอีเหมือนกันออืสุขโขนั้นเป็นบรมสุขเสียประมังสุขขังเสียเนี่ยเนีมันมาขันวนๆเป็นอย่างไงอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทอือนกัน เก็บข้าได้ป่วยก็เจ็บแต่วิมุตตะกิจนั้นไม่เข้ามายุ่งกับสมมุตินี่สิอยู่ด้วยกันก็เป็นความจริงของตัวเองอยู่โดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสกสรรปัญญา อ, อ, อูทุกขณะไหนก็โทกหิวก็ทราบว่าหิวทางพระพุทธเจ้ารับสั่งท่านนให้ตั่งน้ามาเสวยวันเด็จไปเพื่อปรินิพานนั่นหิวกะหาย แล้วใครจะว่าพระพุทธเจ้าทรงเ ส, ส, สวยทุกเวทนารึเปลนั้นถ้าเป็นคนตาบอดก็ต้องว่าเนแหละจะไม่เสวยไงก็งหิวน้ํานี่นั่นความจริงแล้วก็อโนอนนี่รถเรานี่มันจะไม่ถึงไหนแล้วน่ะมันขาดน้ําไปจากน้ํำมาเพิ่มเนาะมาเติมรถหน่อยมาใส่รถหน่อยเพราะว่าเนีขับขี่ไปถึงที่ของมนันความหมายว่างั้นคนขับไม่ได้เป็นลายรถมันขาดน้ำทั้หาคนขับความหมายถึงจิตระวิสุทธิสิ อ, อ น, อนรุราศพ า, าสังคาติลงเราพักผ่อนอืมพักเครื่องมันปุน่นง่ายๆพักเครื่องให้ลดจังหน่อยแล้วค่อยก้าวไปปีหลังอืรื่อวนี้เป็นเรื่องของขันนี่ทุกขเวทนาความหิวความโหยความทุกข์ความลาบากเพราะความหิวความโวยเพราะความอ่อนเพลียลเป็นเรื่องของทุกเวทนาเวทนานี่เป็นขันท่านเวทนานเป็นใจรักนี่กิตนั้นเป็นใจรักษได้ที่ไหน การนาเนินตนก็ถึงวิสุทธิจิตก็อาศัยแรงรักทั้งสามนี้เป็นทางเดินอันนี้จงังทุกขังหน้าตาพิจารณานี้ให้รอบตัวเมื่อพิจารณานี้รอบตั ว, ตวเต็มภูมิแล้วจิตก็ผ่านยิตผ่านไปแล้วจะไปเป็นอะไรอันนี้จังทุกขังน้าตาที่ไหนออี ก, กจิตจะเป็นแรงรักงานอะไรถ้าจิตเป็นแรงรา ก, กจินวิเสียอะไรออืมเป็นแรงรันกนี่ผ่านก็เป็นแรงรันก น, นวิเสศษที่โศอะไรให้มันเห็นประจักษ์ดิยังปฏิบัติ เห็นประจากษ์ว่มันหายสงสัยมีกี่ร้อยกี่พันหายสงยหมดไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าจิตที่บริสุทธิ์จะมาสวยทุกเวทสบยเวทนาที่ไหนจิตที่บริสุทธิ์มีเวทนาที่ไหนเวทนานี้มันเป็นสมมติทางจิตนั้นเป็นวิมุติแล้วมันเข้ากันได้ยังไงเป็นาฐานะนี่โดยหลักธรรมชาติเห็นรู้เห็นเห็นอยู่นั่นแ่ละจะว่าอย่า ง, าางไงแต่เราจะเทียบก็เหมือนกับเราจอไฟเข้า ก, กอไผ่ เขาก็ะผายทั้งกรนลงดูสิราดน้ํามันเข้าไปเสียงกาะภายแล้บเบิร์ดนี่เหมือนฟ้าถล่มไฟก็ไฟก็ส่งเปลวจดเมฆนึงปึงปังปึงปังปึงปังส่งเปรียจดเมฆเหมือนกับว่าไฟนั่นก็มีวิญญาณมีจิตมีใจฟืนคือกาะผายนั่นก็เหมือนมีจิตมีใจมีวิญญาณเหมือนกับต่อสู้กัน แล้วนี่ความจริงแล้วไฟมันรู้ความหมายของมันไมว่ามันมันร้อนมันหนาวมันเย็นมันเป็นปืนเป็นไฟมันไม่รู้ไฟก็ไม่รู้ความหมายตัวเดงและไม่รู้ความหมายของปืนปืนเองก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟแต่ก็เผาไหม้กันอย่างระเบิดเปิดเติงให้ได้เห็นได้ชัดชอยู่ด้วยตาของเราได้ยินในหูเรานั่นเนี่ดูสิผู้ที่รู้จริงๆก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี้ไฟกับฟืนมันเผาไหม้กันนั่น นี่ก็ชั้นหนขันนี่ก็ฐานันนั่นเหมือนกันระหว่างรูปประขันกับทุกขเวทนาขันมันบีบบังคับกันก็เหมือนกันทรรมนองนั้ น, นมันทําให้หยิกให้งอนบางทีทําให้อาจให้เป็นเสียงร้องเสียงครางไปอือ อ, อีไปก็ได้เหมือนกับไฟระเบิดก็ไผ่ระเบิดปึปังปังอะไรเกิจที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรกับอันนี้ล่ะทั้งทั้งที่อยู่ในนั้นแหละขันก็เป็นขัน มันจะมีอะไรการอานี้เป็ี่ยนไปได้ทำให้งอให้หิดให้กระตุกกระติกให้บางทีทิ้งเนื้อทิ้เปลือกไปได้เพราะเส้นมันกระตุกมันเป็นขันเหมือนกับว่าไฟกับฟืนมันไหม้กันนั่นแหละระเบิดปึงปังปึงปังมันอยู่เป็นสุกได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเวลามันนัดตัวนี่เข้าเต็มที่แล้วมันก็อาจมีกระดุกกระดิดมีเป็นในแง่ต่างๆที่นิสายที่เคยมีควนคงังอาจเป็นได้เพราะรหัสน่ะแ้่จิตของท่านไม่เป็น เป็นด้วยอาการของขันที่มันทบกระเทือนกันนี้เวลาสุดท้ายของมันที่มันจะแตกกระจายออกจากกันมันเป็นไปได้เรายอมรับมันนี้แต่เรื่องจิตของพระอรหันต์ที่เข้ามาสูงสิงกับวันนี้มามั่วมาสุมไม่ลงหลายนิ่มันเป็นอธรรมนะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นที่ท่านหลวงปู่ ม, มั่ น, นท่านทรงท่าพิจารณาดูเห็นที่ว่าพระอรหันตนี่พานในท่าต่างๆกันนั้น เราจึงชื่ออยเรเซ็นเพราะจิตของท่านไม่ได้อยู่ในขันให้ขันบังคับนี่นะท่านอาศัยขันอยู่นั่นเนื้อขันอยู่นั่นท่านอยากกินนิพพานท่าใดก็นิพพานนี่ตามมาัธยอาศัยในวาระสุดท้ายของท่านทุกเวทนาไปครอบจิตของท่านได้ยังไงครอบไม่ได้เป็นอาถรรพ์เป็นอาถรรพ์าาโดยธรรมชาติด้วยไม่ใช่เสกสรรถ้ทจะนิพพานท่าใดตามความถนาดของท่านอนนี้พาน ยืนนิพพานเดินนิพพานนั่งนิพพานนอนนิพพานมาแล้วจากความสนัดตามมารยาสายของท่านเหวอฮาสุดท้ายเพราะยังไงก็คือความบริสุทธิ์อยู่โดยดีแล้วจะนิพพานท่าใดก็คือพระอรหันต์นิพพานจะมีความเสียหายมีความกระทบกระเทือนต่อสมมุติที่ไหนกันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันอยิมุติเป็นยิมุติวันนั่งค่ํามีชีวิตอยู่กับปรมยิมุตหลุดไปแล้วก็เป็นหลุดไปแล้วก็เป็นยิมุตไม่จะไหวเลยขันก็เป็นขันดินเป็นดินน้าเป็นน้ําลมเป็นลมไฟปไฟ รูปเบญธนาสัญญาสังขารมีญาณเป็นรูปเบญธนาสัญญาสังขารหนึ่งาณมันจะเป็นดิพันธได้อย่างไรมันคนละอย่างละอย่างนั่นมันไม่ค้าเข้ากันมันค้าเข้าตั้งแต่พวกปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทึบเหมือนอย่างพวกเรานี่มันไม่ค้าเข้ากับจับมัดเข้ามากว้านเข้ามากว้านเข้ามามัดคอเจ้าของมันเนี่ยไม่มัดคอใครออที่นี่ฟองพูดแค่ผู้ชาย มัดคอฟักติดหนักธรรมชาติแท่งติดพอสุดเต็มตัวขันก็เป็นขันเต็มตัวอยู่เลยธรรมชาตของเขาแต่กิจจะยึดพอกิจบริสุดแล้วต่างอันต่างกินก็ไม่ยึดกันขันตะวันเนี่ถึงมากผมอยู่สังขารขันนอนกรุงหลอกเพราะเราพวกขันตะวันนั่นเองผมนี่นี่ขันตะวัน ปรุงหลอ ก, กของวันกลางๆไม่มีความอื่มพอปรุงหลักแล้วหลอกแล้วมันว่าผมหลอกลอกับของปรุงว่าอย่างนั้นปรุงว่าอย่างนี้อืเล่นตุ๊กตาเหมือนเด็กขันจับของเรื่องราผ่านไปกี่ปีกี่เดือนแล้วปรุงมาได้เอากระสุนลระนนอนนะหลอกกระสุนกะสนน้อยนะ่าหลอกกับของอกระสุนนอนถ้าเราจะพูดให้สนุกส น, นุกต้อ มองดูทนะี่นเห็นแะ่พระ า, ายบ้าอยนะูแล้วด้วยเด่นกับตุ๊กตาจากของเองปรุงหลอกจากของมองที่หย้าเห็นแต่พระาล่บ้าอยผมจะพูดยางนง้นี่มันถึงใจดีสนุกด้วยนะเออลือียจริงๆของอัศจรรย์พรพเจ้าเนี่ยอัศจรรย์เป็นกุญในใจเองนะอัศจรรย์พพุทเจ้าแหมต้องขุดขึ้นมาได้อย่างไหเงี้นีใครบอกให้สอนเลยออันนีหนานั่นยิ่งกว่า สัตวโลกก็มีรายาดที่จะผุดโผล่ขึ้นมาได้พระพทุทธเจ้าตรงโผล่ขึ้นมาได้อย่างมากสัจจ์สยัมูผล่แก่บายสุขการทุกอย่างก็ทรงผนวยเองรูกรู้กมาเองไม่ีใครบอกใครฟังเมื่อท่านจะกลับท่านเลา เราเรียนสารเรียนน้มันก็พูดกันไม่เข้าใจเป็นอย่างภาษาลิบุตว่ามาเชื่อพระลิจ้าท่านท่านจคุณก็เห็นไม่ใช่เหรอนั่นแลอละนี่ยตรงนี้อ่ะตรงปัญญาที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแ ล, ล้วลู้นึงอย่างนี้เม่พระภาษาิบุตรรู้อันนี้แ้พาพทิ่ตาบอดทั้งหลายวหาภาษาลิบุตรมาเชื่อพระเจ้าดูถูกพระเจ้าไปองั้นจะพวกตาบอดครบพระเจ้าท่านรับสั่งว่าง่ายภาษาลิบุตทคามวอามาเชื่อเราถากใช่ไหมใช่ พายไรนั่นถามเห็นใช่ไหมพายนี้ข้าพวงที่นางนี้ก็ข้าพองรู้เองเห็นเองนี่เองไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาตินี้นเอออาชจยถูกแล้ว อ, อันนี้เองมันอย่างนี้ถูกต้องแล้วสายบุตรถ้าภาษา ต, ะ ต, ะตะลกๆมันพวกบ้านี้อะไรนั้นมันเป็นเรื่องนั้นแหละมันเกิดเรื่องนั้นบูฟ่างเพราะเราไม่มีเรื่องสายบุตรมันมีพวกบ้านอยู่บ้าง น, า น, านาั้นภาษาเราน่อ่างมาฟ้องเรานนินะ ต้องให้เราทำหน้าออกคงหมายว่างั้นเชื่อตัวเองสันติจโกสันติโกนี่สำคัญถึงขั้นสันติจโกว่าเราุดท้ายก็คือการหลุดพ้นเจของความหลุดพ้นไปแล้วเป็นยังไงที่นี่อันนั้นนั่นสันติจโกสันติโกสุดยอดมีออกแหงนังสือกับเมียเขาพูดทั้งเรื่องอะไรอันนั้นที่ท่านว่าถ้าอรหันต์ท่านเป็นชา克ะชาละนะ ว่ท่านตื่นตลอดเวลาอะไรคนเลยเอาเลยถืออันนั้นมาโตไปหมดเลยวพระอรหันต์ท่านไม่นอนไปนยังไงเลยถ้ายังยังนอนอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์นั่นไม่ไปยอย่างท่าน เ, นเออลยก็ไปใหญ่แล้วที่นี้ื่ก็เรื่องหลับเรื่องนอนเป็นเรื่องของขันเรื่องระงับขันชากลณ์นั้นหมายถึงจิตที่ปลดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นมันต่างกั น, นัารระงับขันการหลับนอนคือการระงับขัน ขันมันทํางานขมาความคิดความตุ้มความเพื่อนหมายแต่มามีแต่เรื่องขันทํางานทั้งนั้นมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่รถเราวิ่งไปมันยังต้องไปพักเครื่องเนี่ยอันนี้คันทำงานหลับพะวังเห็นความหลับเนี่ยมันต่างกันพะวังความหลับเป็นเรื่องของขันพะวังความหลับปิดก็พักเอาขันที่อาศัยก็ปิจนี้มันระงับตัวของมันอยู่กับหลับ แต่ชาคลานั้นนอกจากขันอยู่แล้วเป็นปกติโดยธรรมาชาติขันหมายดึงอันนี้าชาคาลาทำแล้ว น, น, นี่เราไปกวาดนอกขันทั้งห้ามาเป็นชาคลาด้วยกันอีกไม่ให้ไม่ให้พระละหันนอ น, นมันตายเดี๋วพวกบ้าอย่างนี้วะนั่นนี่ผมดีไเวลาจิตที่เป็นชาคลาจิตตื่นหรือจิตเป็นชาคลาเนี่มันละระวังขจิตหรือเปล่า อันนั้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองเลยเป็นประจำเป็นอาการลิขิตอาการลิขธรรมเลยคุณท่นคิดว่าหลับวัดตื่นนี้มันเป็นอาการมันเป็นเรื่องของขันทั้งนั้นทํางาน้ระงรับ ต, ตัวอาการเหล่านี้จะเอาเข้ามาใส่ชาลัธรรมไม่ได้เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนตามภาษาสมมุนเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติของตัวเอง ย่อเป็นอาถรรนะกับจินใดๆทั้งนั้นคุณย่งง่ายนะขึ้นที่ว่าสมมติแล้วเป็นอาถรรนะเข้ากันไม่ได้วางนั้นเลยในหลักธรรมชาติอย่างนั้นทานพราห์นเนี่ยท่านจะนิพพานท่าใดก็ตามเช่นอุปจิหงที่เหตุอะไรอะไรก็แล้วแต่ถึงน่ะจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่องของขันเพราะนั่นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นตัวนัตัวถ้าว่าตัวนตัวก็เต็มที่แล้วว่างั่นเลยนะจึงไม่มีไม่มีการอาถานที่มันเป็นอาการวิจิกิจอาการวิจกรรมคือทําก็ปิดเป็นเปนันเดียวกันแล้ว นั่นจึงมีปัญหาจะ่ตายท่าไรก็ตามเพราะที่เหตุถูกคลายชนจ น, นตกต้นไม้รถข้าวท่านตายด้ยแบบไหนก็ตามไต่มันไม่มีปัญหากับจิตตรงนั้นเลยอย่างที่ท่านเข้าธรรมะทั่ซา บ, บัดตอน <c oughs> นี้ผ่านนั้นท่านทําตาม <c oughs> อัจยาศัยของท่านต่างหากไม่ใช่ว่าท่านไม่ทํานี้ท่านจะไม่บริสุทธิ์ท่านแต่บุกคลในความบริสุทธิ์ของท่านอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้น เพราะอันน <étique> <occasions, S 1> ี IS IS ้เป็นสมมติอย่างผู้ที่ฆ่าก็เป็นทรงทรงเป็นศาสตราห์คำว่าคำว่าศาสตราไม่ใช่จะขึ้นบนธรรมานั้นถึงจะแท้ถ้าเป็นปภาษางเราก็เรียกว่าหน้าโมตตาแล้วจิวัฒน์เทศศาสดราห์ทุกภ้าอการที่เกิดใหม่ของพวกนั้นดิ้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ทั้งนั้นเป็นกติทั้งหมดนี่วาะสุดท้ายที่จะเสด็ดปฏิยานก็ทรงเข้าทางในหมายทังว่านี่ก็เป็นศาสดาวาระสุดท้าย ผู้ที่มีภูมินี้ยังมีอยู่มากมายพระสาวกนั่าตั้งหลายผู้มียุคภูมิที่จะเป็นไปอย่างพระพุทธเจ้ายังมีมากพระองค์ก็ทรงสเสด็จให้ให้เห็นเป็นตัวอย่างพูดง่ายๆนะอืข้าวปฐมอาารย์ตุตีอานตัตเตียฌารย์จตุติฌารน า, าอากาศฌานนาวินยาอาจารนาอากินจานาาเนสัญญา้วเข้าวัญญาเวทแต่นี้รู้งดับแล้วห ม, ามาัเหยียบเนี่ยที่พระรูปไหนก็ถาม พระนุธาที่ว่านี่ไม่ใช่บดปรผลิตภัณฑอรุณนะผมก็ลืมที่ถามยยั้งนั่นบาลีถามธานร <algebra. S 1> ุษพระพระอะไรบ <Bar ì. S 1> าลียัง ant, ้งว่ากาลังพระวิทยีโรดมาบัดเงินนะพัะญาติวิทยโดเตัยิโตยโรดนะนี่นี่เหรท่านี้นีเราพอพูดได้ทังนศ่คุณว่าศูนย์ี่ไม่ศูนย์นะเราพูดเอาตรงนี้เราพอพูดได้รจิตพระจิตที่บริสุทธ์นะ ถ้ามันมีสมมุติมามาเกี่ยวข้องนี้จะพูดไม่ได้บริสุทธก็อย่างนี้นี่พอมีสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องกนี่ภาคกิจที่บริสุทธิ์นะข้าวปฐมฌานนานพันนี่นี่นนข้าวตุเปียฌานตตเยฌานจตุฌานเป็นลูกประชานสี่แล้วก็เข้าวลูประชานสี่อาการสามอย่นี้จนกทั่งถึงสัญญาเวทที่ไตรลุครับรงนั้นนี่เหล่านี้สมมุติทั้งนั้นนี่ ทำมาสมมูลพูด ง, งนะ่ายนะไม่ใช่โลกสมมูลทำมาสมมูลทำมาวิมูลทำมาสมมุตูลพูดง่ า, ามมยๆนะจิตที่บริสุทธิ์นั้นอาศัศศยทำมาสมมุูลนี่เข้าอือ น, นี่เข้าฌานนี้เข้าฌานนี้พราพาโนธาทึงต้องรู้รู้รู้ก็ขรุขรู้อยู่อันนี้ก็รู้แต่ไม่มีอะไรภาดพริงก็พูดไม่ถูกพูดไม่ได้น ะ, ะ, นะที่ความีพาดพิงนอ่นี่เข้าปฐมฌานแล้วน่ะมีเขารุติฌานแล้วนี่เข้าตัดิฌานแล้วจตุฌานแล้วเข้าไปสัญญาอยู่ที่สัญญาเวทายติโลด ออกนั่งกันย้อนภระกิจลงมาจกนกระทั่งถึงพระกิตรบริสุทธิ์ธรรมธาตุธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับออสมมุดธรรมเหล่านี้น ะ, ะนี่พอก้ากันหนีแล้วครานี้ออกทางนี้รูกประชานสีซึ่งเป็นส ม, มุดธรรมก็ไม่ไปอรูกประชานสีที่เป็นสมมุดธรรมนี้ก็ไม่ไปไม่อยู่น ะ, อ, ะออกนี้ปริพันธ์แล้วทีนี้ไม่มีที่พาดถึงแล้วพูดไม่ได้แล้ว น, นั่นพูดไม่ได้เฉยไม่ใช่สูญพ <laughs> ูด <laughs> ไม่ได้เฉย กือไม่มีอะไรพลาดพิงขงา้าวใจมีอะไรที่พูดนี่ค น, น, นั่นแหละพระกิตคอมมาพรู้ท่ารู้หมดเพราะท่านเก่งในทางนี้นะพระรู้ธานนะ อ, ะอถ้าเก่งไม่กล้าครัต้องตามถาเถิดเรื่อยๆอนนี้ก็ตามรู้ตามอย่างนี้ท่าไม่ต้องเข้าฌานดูอย่างนี้ก็รู้อย่างว่า นี่อีกข้อหนงตอนที่เข้าใจว่าคําว่าสลดกับธรรมสังเวกเวลาที่ได้บินเมื่ออะไรที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์สำคัญสําคัญเนี่ยธ ร, รมะสังเวกเกิดขึ้นกับพระอาหารหันต์เนี่ขึ้นนี่คือมากระมังขันกับเพื่อมอะไรอ๋นนอขันกับเพื่มก็ับเพื่อมนี่เพราะอะไรเป็นเหตุปัจจัยครับผมมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรกับเพื่อมก็คือขันนี่กับ กับส <de> <at participar> <UK> <c Reading> ิ uh, ่งที่สัมผัสที่ให้เกิดความสังเวชมันกระทบกันออนี่แหละเท่านั้นเองส่วนที่จะให้จิตอันนั้นมันกระเพื่อมันไม่มีเล้ชากละท่านกลุ่มไม่มีไม่มีเลยมีแต่อาการเวลานี่คลอมขันอยู่ขันนี่กขาขันกับอันนั้นนะสัมผัสกันเท่านั้นกระเพื่อมัป็นหมาบอกเป็นตรงทำมาสังเวชเท่านั้นเองกระเพื่อมมีกต้องททบกระทบไรลักด้วยนั่นแหละเท่านั้นเองท่านสังเวช ความสำเร็จของพระละหันไม่ได้เหมือนความสาเร็จของเราครับมันผิดกนันนี่ก็ดีนะแต่ก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดก็เลยลเอาสมมุตินี่มาพูดความสําเร็จสำเร็จแค่นี้พวกเราแล้วเอามามัดคอเราอีกว่าพระพระลหันนี่เหมือนเราหวาดใจความสำเร็จก็เหมือนกับการหัวเราะของพระละหันเหล่านี้นะรพระละหันหัวเราะกับเราหัวเราะมันผิดกันนี่ในีทุกคนก็จะเป็นเสียงพูดแต่เจ้าจะยิ้มยิ้มพระโอษฐ พระองค์ยิ้มพระโอดมีเหตุมีผลตองโค้งนี่ถ้ายิ้มธรรมดาก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ว่าพระผู้ที่เจ้าจะยิ้มไม่ได้หัวเราไม่ได้นะหัวเราได้เหมือนกันแต่ทรงยิ้มโดยเหตุผลอะไรนี้มีหนักต่างหากเนี่ยไม่ใช่ว่าพระผู้ที่เจ้าจะมายิ้มทรงยิ้มเหมือนกันพูดเหมือนกันหัวเราะเหมือนกันนั่นแหละแต่ธรรมดาธรรมดาเราท่านเหล่านั้นชาวกทั้งหลายเหล่านั้นไม่ไม่แย่ ไ, ไ, ไ, ไพ่เป็นคนโงนี่เป็นคนฉลาดอะไรที่ แสดงมามีเหตุมีผลยิ้มออกมาด้วยมีเหตุผลเป็นต้นเหตุก็ยุดยึดปาบพระองค์ทรงยิ้มพระโอษฐให้ปรากฏอย่างนั้นนั้นมาไปถ้ายิ้มธรรมดามันเราพูดสนุกกันนี่เป็นไปอะไรนั่นก็เป็นอีกอย่างเข้าใจไหมท่านท่านคุณมันเป็นอย่างนั้นหนาเวลาทรงแสดงเป็นนิมิตความยิ้มนี่ก็เป็นนิมิตอันหนึ่งนี่ออกมาโดยเหตุผลที่ควรจะยึดเป็นหลักก็ออกมาแต่ธรรมดาก็เป็นอีกอย่างนะ ความก็เพิ่มของขันนี่ทำก็เกิดทำสังเวชนั้นนี่คมมากครับผมเคยนึกถึงเลยเรื่องเพิ่มของขันนั่นแหละยกาอมาขันเพราะนั่นก็สมมตินี้ก็สมมติม <c oughs> ันกระทบกันปับ๊บยักออกมาแล้วก็เท่านั้นแหละไปแยกไปหาเนี่ยไปตอนที่เรียนยังเข้าใจอยู่ว่าพระอรหันต์เนี่ยอย่างสังเวชต่เราก็เข้าใจคำว่าสังเวชนั้นภาษาไทย <c oughs> ไม่เล่นเล็กวขันเหือกับเพื่ อ, อ, อเทียบมันก็เหมือนกับอะไรคนเล่นดิเกถึงบทหัวละหัวละบทล่องให้หแต่ล่องไห้แต่แต่คนร้องไห้ที่เขาเล่นดิเก้ละครกันนั่นไม่ได้โศกเศร้า ห, รหัวหวั่นบนยังเราผิดนะ <c oughs> มันผิดกรรมเพราะนั้นเป็นเป็นบทเล่นเฉยอันนี้ก็บทเล่นในสมมุติหรือดเลือดในชาติสมมุติเฉยเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเพียงชาในสมมุติ องค์ท่านเองไม่เปลี่ยนใช่ตามสมมติอาศัยสมมุติแต่ว่าไม่อาศัยกิเลสเออใช่แล้วท่านไม่มีแล้วไม่มีคำว่าไม่มีนี่ถึงจะทําให้มีก็ไม่มีนี่ถ้าหมดแล้วมันก็เป็นถ า, านะเหมือนกันเช่นโกรธอย่างนี้นะก่อนเคยโกรธความน้าขอยู่เลสที่นี่กิเลสไม่มีทำท่าทําทำท่าเหมืนมันไม่ได้กโกรธนี่กินเห็นทั้งดุนี่ี่เอาเป็นแผลเป็นเผาเราขนาดไหก็เป็นเป็นด้วยพลังของธรรมต่างกันมันไม่ใช่พลงังกิเลสมันผิดกันนี่นะอืม คกิเลสมันก็มีพลังของมันมันเป็นแสดงของแสดงความโลภกับโลภเต็มที่โกรธเต็มที่โลงเต็มที่เป็นพลังของกิเลสทีนี้เวลากิเลสมันหมดไปแล้วพลังของธรรมเข้าแทนที่อืมพลังของจิตพลังของธรรมแต่ก่อนเป็นพลังของกิเลสดันจิตนี่เป็นพลังของธรรมกับจิ ต, ตเป็นเดียวกันกับพุ่งออกมาพุ่งออกมาพูดให้ถึงเหียดถึงผลเหมือนกับบุกด่าว่ากล่าวเป็นพื้นเป็นไฟไปทีนี้มันแล้วมันไม่ใช่ พลังของยิ่เหล็กนี่เป็นพลังของธรรมเพราะฉนั้นคนจึงเอาปาะก้อนมัดค่อยราณิกดีนะ <c oughs> โอ๊ยนี่ น, นั่นยังดุท่ห่อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> พลังของธรรมต่างหากไม่ใช่พลังขอ ง, ของิ่เหล็มันผิดกันตรงนี้แล้วมันหมดแล้วจะอะไรมาโกดมันจะทาอะไรมันก็ไม่มีมันหมดจอาอะไรมามีแม้กระที่เรียกว่าหมดได้ไงเรียกตัวหาได้ที่เรียกว่าหมดไงหมดกงหมดอ น, นมีแต่พลังของธรรมที่พุ่งพุ่งพุ่ง เต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มทำเต็มตามความสัดความกินการพูดจึงมีหนักเน่นลงในที่คนแน่นคนหนักหนักเพานาว่าอะไรปัจจุบันนี้ไรยังพ่อแม่ของานมั่นอยู่แล้วมผมเห็นทีแรก่ทั้งๆ ท, งทงีผมก็ตั้งท่าวาาา่าท่าสอาอาถรร์หาท่านนย่างาท่านนึสัดุเองนสัมภาษณ์ดีไม่ดีท่านถูกไล่เลย แล้ว เ, เอาเหล่านี้ละองค์หนึ่งหว่างนั่นเลยนะเราหาอาจารย์อย่างนั้นเนี่ยหาอาจารย์เด็กๆหัวว่างเอาถ้าถูกถ้าถ้าถูกท่านขับก็ให้เหล่านี้องค์หนึ่งมาท่านขับเพราะเหตุผลบนกลายอะไรนะขนาดท่านอาจารย์มั่นนี้เราได้เคย ไ, ได้ยินชื่อกิจิสระิรุฬห์มานตั้งแต่เราเป็นเด็กตป็นมาทั้งฝันนี้ท่านจะขับนี้ตีทรงคนด้วยหายหยดุงมาได้โดยอารมณ์นี้มีเหรอเป็นไไไปปม่่่ด้้้หนนนนนังงะะะเเเเรรรราาาาททีีตทนนวตตจอใ ไปก็เปียกจริง <laughs> โอ้โ ห, โ ห, า ห, าหมันยังมันกล้าหาขนาดนั้นมันยังกลัวนีกว่ามันก็กลัวกล้าวมันเขา้ากวก็คิดเลมันก็ต้องฟังว่าท่านดุ <c oughs> นะเออนั้นเวลาอยู่กับท่านเปนานๆจิตแล้วก็ประกอบของเราตลอดเวลาเนี่ยปรับปรุงทางนี้ปรับปรุงทางนี้มันเรื่อยๆจิตมันค่อยนั่งเข้าไปต่อต่อไปนี้นมันเตรียมยังพูดสนุก ด, ด้วยครับเห็นท่านดุพระแหลบ่นะเปียกเปียกบางทีท่านหันหน้าวานี่ดุข้าวนี่เปียงเปียก พอมีองค์นี้ขึ้นมากลับเยียนเรื่องอะไรทั้งขันหน้าพูดกับองค์นี้ธรรมดาธรรมดานะ อ, อ, อย่างนั้นนะอย่างนั้นนะอย<ฮ>่างนั้นนะพอเสร็จแล้วกลับมาเปี้ยงเปี้ยงอีกนิดนึงมันดูวนไปอย่างนั้นนะถึงเวลาเปี้ยงเปี้ยงพอหันวันนี้ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนไม่เคยดุเลยนี่นะพอหันวันนี้ก็เปี้ยงอีก แ, บบ <laughs> แหละเหมือนกับวงานนี้ยังไม่เสร็จทูนง่ายงานสับยำยังไม่เสร็จของว่างนั่งสับไปก่อนเหมือนเราสับยบล่ามลับยำล่ำไม่ได้โกลัวให้ล่าแต่สับยำมันอานดูยาก นี่ก็ต่อไปพอจิตของเรามันก็เข้าระดับที่ควรจะเชื่อสิ่งนี้ได้แล้วนะนโอ้โหที่นี่ไม่ได้นั่นเลยหายตงใส่ว่าท่านท่านดุด้วยชีเลดนะหายสงสัยจริงๆนะไม่มีนี้เวลาท่านดุใครต่อใครนี่เห็นทำท่าไปนั่นแหละเนี่ยบาง่อกี้พูดอย่างนี้นะก็มีนวผมนะจะว่าขนองปากหรือเป็นกรรมผมก็ยอมรับนะแต่เราไม่ได้ถึงใจในพูดแล้วก็พูดด้วยความรักท่านด้วยความเคารพสงสารท่านทาน่างหากนี่นะ ที่เราว่าก็ทำท่าไป น, นั้นแหละวันแต่ก่อนเรากลั ว, วบูเพือนกลัวจะตาย น, นี่เราก็หายกลัวแตคำว่าหายกลัวไม่ใช่เราดื่นนะคือเรายอมรับปุณหัง่ายนะเราหายกลัวด้วยความยอมรับท่านว่าเป็นธรรมแท้ๆปุณหัง่ยายนั้นนี่เวลาท่านดุใครยังไม่รู้เรื่องเวลาเอาแหลกเหมือนกันนะเตี้ยมเตี่ยมโอ้จะทำท่าไป น, นั้นแหละไม่มีกิเลสตัวดุนี่กิเลสตัวไหนจะมาให้เป็นความโมโหโธโสู เขาจะอะไรมาเป็นความโมโหดูได้จะไม่โกรธเนี่ยทั้งดูทั้งโกรธก็มีเนี่ยดูได้แต่ไม่โกรธเนี่ยเป็นอะไรถ้ากิเลสไม่มีก็ไม่โกรธถ้ากิเลสมีทั้งดูทั้งโกรธเนี่ยมันเอาไว้ไม่อยู่แหละมมันไปความกันนั่นแหละถ้ากิเลสมีมันก hmm. ับกิเลสพาดดุเลยอย่าว่าจากิเลสจะไปทําหลังความดุเลยกิเลสมันไปก่อนแหละถ้ากิเลสไม่มีแล้วมีแต่ธรรมพุ่งออกเลย ปัญญามันยังแยกไม่ออกยังคนดูเนี่ยคนดุพ่อแม่ตีลูกอาจารย์ดูสิอะไรเงี้เราปัญญาไม่ถึงนะนึกว่าท่านจะต้องใช้อันนั่นียังต้องใช้อารมณ์อยู่นี่พอมาพ<ด>ี่อธิบายพ่อแม่เขยังมีกิเลสก็มีส่วนอยู่บ้างอาอันนี้ส่วนนี้มีอยู่บ้างความรักนั้นรักนะความถือว่าลูกลูกลู่ดาว่าเก่า อ, อันนี้ มีส่วนใหญ่แต่ความความมงคสมมันก็มีเพราะที่เหลือมีอยู่นั่นยังไงที่เด็กมันต้องออกมาทํางานจนได้ล่ะมาทํางานด้วยจนได้ถ้าไม่มีจริงๆแล้วมันก็รู้ได้ชัดทำไงมันก็ไม่มีดูเป็นเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ไม่มีจะมีแต่ลมแป๊บแป๊บเนั้นไม่มีอะไรที่จะมาเสริมมีแต่พลังของทำพุ่งพุ่งพุ่งพอหมดเรื่องที่จะพูดแล้วมันก็หายเงียบไปเลยก็เหมือนไม่มีเลย ดูเปรียบอทียบกัเหมือนก็ไม่เคยดูเพราะอันนี้มันไม่จะเป็นอุปทานว่างไปตามผลแล้วพอหมดแล้วมันขาดไปเลยมันเหมือนเราเราไม้ฟันน้ํเาเนี่ยพอยกมีดขึ้นมามันหายเงียบถูกไหมแล้มันมีร่องมีรอยนอกรีดนี่ละเอียดมากนะท่านโยบุญละเอียดมากที่ยอถ้าไม่ใช่วิชาภาพทำวิชาทำแล้ว ยังไงก็ไม่มีทางเจอได้เนะเคจิตเป็นจิตน่ะมันจะหมออาหมดทั้งล่างพอกจากนั้นแล้วพอล่างสลายไปปั๊บ ก, ก็ความรู้นี้ก็หมดความหมายต า, ตามกัอนจนะเป็นอย่างนั้นเราจะพูดร้อยตั้งร้อยพันตั้งพันล้านทั้งล้านนะถ้า่ารเป็นบรรยากาศที่ผิดเหมือนการปฏิบัติมันจะเป็นไปนไม่ได้ รู้จิตเป็นจิตธาตุเป็นธาตุขันธ์เป็นขันี้จิเป็นจิตตอนนี้เราเราจะเริ่มรู้ตั้งแากจิตสงบนะจิตปันจมาสิมันจะเป็นเชื่อให้ให้เกิดความรู้นะรู้ว่าเป็นเชื่อให้เกิดความเชื่อว่าจิตเป็นจิตมันมันเป็นเชื่อเพราะกิตสงบแลํามันจะตะล่ำของมันเข้าไปกระแสของจิตมันจะมันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเหมือนกับเราตากแห่ไว้ ฝ่ายากลานยากเรามองไปมันจะไม่เห็นเพราะตาก็มันบางทีพอจับตอมเหาดึงเข้ามาดึงเข้ามาเข้ามามันจะรวมตัวรวมตัวเข้ามาจนเป็นก้อนแหอกองเหมาวางนว้กองจีบกองนี้กระแส้องจิมันกระล่ ม, ม, ม, ม, มขเข้ามาพอจิตสงบจากความวุ่นวายเข้ามาเข้ามาแล้ ว, ลวมันจะจุดนี้จะเด่นขึ้น จิตความรู้นี้จะ เ, เด่นขึ้นเห็นขึ้นเหมือนกองแหอฮึอเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, นต่อไพอจิตเป็นฐานแล้วมีฐานมนนีของตัวเองนี่คําที่ว่าจิตเป็นสมาธิตามความรู้จุดของทางภาคปฏิบัติหรือของผมเองนะจิตรวมเป็นข้างเป็นขานนดังไม่ได้เรียก ว, ว่าจิตเป็นสมาธิถ้า ว, ว่าจิตรวมจิตสงบนี่พอรวมหลายข้างหลายหนแล้วมันสร้างฐานขึ้มนมาในตัวทุกทุกข้างทุกระยะระยะจนกลายเป็นจิต แน่นหนามันคงขึ้นในตัวเองอทั้งๆ ท, ที่เราคิดอ่านแต่ตจองไม่ได้เข้าที่สมาธิภาวนาก็ตามนะมความสงบนี้มันจะเป็นตัวของตัวมันอยู่นี่เป็นพื้นฐานแล้วนี่นะเราคิดเรื่องอะไรก็คิดได้สบายๆพอย้อนเข้ามาสู่ภาวนานี้เราจะเห็นฐานในความมั่นคงของจิตแน่นเปังอยู่ภายในตัวเองอนี่เพราะว่าจิตเป็นส ม, มาธิคือสร้างฐานขึ้นเป็นของตัวเองทีนี้พอสงบก็สงบอาการท้่เข้ามาสู่ฐานอันนี้อาการที่ต่างๆนะเข้ามาสู่ฐานนี้พออย่างนี้ก็อาการก็ใช้ แต่ฐานนี้ไม่ละตัวเองนี่ผมเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมันก็นอย่างนั้นจริงๆนีนที่นี่เราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้แล้วนี่เป็นธาตุเป็นขันเขาจะเริ่มรู้นะแต่ไม่ใช่เต็มไม่เต็มเลยนะมันมันเริ่มเริ่มจับเมื่อนได้แล้ว น, นี่พอกล้าเข้าสูา่ปัญญาจิตนี้ก็ยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป จนกระทั่งถึงปัญญาขั้นอัตโนมัติแล้วทีนี้เอาละทีนี้นะอืมเรื่องความเชื่อของจิตอันนี้นะปีกวิกับเกลิที่มันพันกันอันไหนที่ตัดไปแล้วอันไหนที่ยังมันรู้มันรู้อยู่ทีนี้นะมันวงเข้ามาวนเข้ามาวนเข้ามาแคบมาที่แล้วมันกว้างฝังมพิณาอะไรกว้างกว้งพอมันเข้าใจแล้วมันตัดมาตัดมาปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาวงแคบเข้ามาจนกระทั่งถึงขันนะรูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนี้ มันก็พิจารณาเสร็จแล้วมันแยกออกแยกออกแยกออกเข้าไปสู่จิตนี่ที่ผมเคยพูดวิชารวมตัวนะในหนังสือก็มีแคเก็มีใช่ไหมนี่เป็นฮาข้าวอรัยานจริงพราะมันเมื่อมันรุ่งจริงแล้วจะทำให้งัยวมันติดมันก็ไม่ติดถ้าพิจารณามันก็ไม่ยอมเหมือนว่าเราอิ่มแล้วจิกินแล้วอิ่มความหมายว่างั้นนะที่ไหนที่ยังไม่อิ่มมันก็นั่งนหละมีจิตมันดื่มอย่นี้อันนี้ยิ่งชัดชัดถึงว่าจิตอ๋อจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่น ในความใสของจิตดวงนี้ความสว่างของจิตดวงนี้ความหวาดกราบดวงนี้ไม่เหมือนจิตดวงไหนคือไม่เหมือนจิตที่เคยเป็นมาเป็นมาเป็นมาความละเอียดต่างกันมากม า, มากมากเข้ามาโดยอันดับต่างา <c oughs> เหล่านี้เป็นอาการทั้งนั้นแหละท่านทุกท่เป็นอาการจะเรียกว่าเป็นธรรมะจิตซะเลยได้นะครับได้ถ้าจะลงถึงขั้งเต็มที่นะนี่พอเข้าไปงล้วเมื่อกิเลสมันรวมตัวของมันแล้ว มันก็เป็นก้อนหนึ่งอย่นั้นน่ะที่ว่าจิตผ่งใสยังอะไรประพัฒน์จะมีดาวพิกเวยอะไรที่ว่าอะไรนั่นใช่ไหมอ๋อทุกคนไม่รู้เปนหลายอืกเดิมครับเป็นจิตประพัฒสอประภัฒนสอนนี่นี่มีหละยที่คนวงนั่งกวรายาดเราถกเถียงกันผมก็เคยถกเถียงกับหมู่บ้านกันแต่กว่ากระทกเถียงแบบเราแบบรับตาชนกันเลยมันไม่ลืมตาชนกันแล้วรับตาเถียงกันหรืว่า ว่าจิดผ่องใสจิตถ้เป็นภาษาสนาถ้าเป็นพรส า, ราพรสนามันเกิดทำไมอะไรยุ่งเลยหาทางออกก็ยตัวตเหมือนไข่กับไก่เนี่ย เ, เพราะไมใช้ภาพปฏิบัตอิอที่พอใช้ภาพปฏิบัตินี่นอกจากวันผ่องฉนใสแล้วมันยังเลยอีกนี่พอเข้าจุดผ่องไสแล้วนี่แหละที่นี่อวิชารวมตัวแต่เราไม่รู้นะตอนนั้นนะเราไม่รู้เหมือนกับว่าทํารวมตัวที่ทํานว่าโอภาษณ์กันระหว่างอะไรในชิปอายชิปหกมานะ โอ้าสิบเออห้าสิบอ้วผมก็ลืมลืมได้เดือเนี้วิปัสนูเลยเ อ, อวิปัชนูโอ้าปัสันทีทเอ่ปีตีอ่าโอบาโปีตีปัดสัทเข้าร่วมเข้าร่วมเข้าผมพอาถึงเข้าถึงตัวจริงจริแล้วอ๋อมันโอ้ปัญญานี่ก็กว่าเกียงไกลนะมนังงได้อยู่ ยังไปเป็นองค์พระรักษามันขึ้นได้ไ<อ>นี่ถึงว่ามันละเอียดขนาดระพาสละจิตตัวนี้นี่เออนี่เราประพาสละจิตนี่มันละเอียดละออมันผ่องมันใสมาอะไรมันทําให้อ้อยอิงทุก อ, อย่างนั่นแหละอืมนี่หมายถึงว่ามันเป็นพรสอนของจิตที่ชําระได้นะ อ, อือวก็ที่นี่พอพออั น, นี้กระจายตัวงไปเมื่อ ถ้าจิตปัญญารู้ทันมาแล้วกําหนดเข้าไปตรงนี้มันก็เหมือนกับสภาวะธรรมไหลมันก็เข้าใจเหมันกันปล่อยมันกันแต่อันนี้มันไม่เกียงมันปล่อยเฉยมันพังเลยเลยนี่ออืมกระจายผึ่งเดียวเท่านั้นหมดขนาดเดียวเท่านั้นเพราะอันนั้นหมดไปแล้วมันเล็กไอ้ที่ว่าฟองใสมันในกายเป็นกองที่ไฟทับกับทองคําทั้งแท่งไว้ทัางหล่างมันนั่นพูดง่ายว่านั่นนี่นี่จรงรู้ว่าเต่งไหมอวิชาเต่งไหมนั่นที่นี่โอ้โหขนาดนี้เี่าเหลือหลอกกินได้ขนาดนี้เี่วเหลือ เพรนั่นพอถึงนั้นแล้วมันพูดไม่ถูกเลยที่นี่อาจารย์เกินคาดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เลยการเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปเลยอื๋ อ, อสลดทั้งเม็ดน้าตารล่วงนั่นเห็นไหมมันก็เป็นได้นในขณะที่มันนั่นของมันแล้ว อ, อ๋อหาทําำหาที่ไหนทําำที่ไหนที่เลยที่ไหนน่นอ๋ออวิชาอาวิชาหาอาวิชาที่ไหนเหมือนเสือโคงเสือดาวที่ไหนเพอาอวิชาแทบขี้ควายทับทอง ง่ายนี่กราที่นี่ที่ว่าจะเกิดดีหรือไม่เกิดดีที่นี่ฮาร์ดขนาดไหน น, นี่หมดเครื่องสืบต่ออะไรทั้งหมดแล้วที่นี่หมดไม่มีอะไรสืบต่อแล้วทุกถึงตัวอย่างจะไม่มากไม่มากมันก็เป็นเรื่องของเขาของเขาเลยมันไม่มามาติดมาต่อแต่ก่อนอมาสุดท้ายก็คืออวิ ช, ชาที่มันเป็นอันนี้กันอยู่นี่มันมีจุดให้จับอยู่นี่อพอเ น, นี่กระจายไปแล้วมันหาจับหาจุดจับไม่ได้ ไม่มีไม่มีที่จับไม่สงสัยที่จะจับอะไรนะพูดง่ายๆนะมันไม่สงสัยด้วยอ๋อเนี่ยทีนี้อันนี้เลยเมื่อนี่แหละที่ทําให้ย้อนถึงเรื่องของพระพุทธเจ้านะเท่าเมื่อพระองค์จัดรูปใหม่ๆนั้นทรงชอบพระทัยในการดังสอนตัดโลกก็ทรงเห็นอันนี้เป็นของอาจารย์เกินคาดเกินหมายเกินโลกเกิ น, นองสารเกินวัตถิปัญญาของตัดโลกทั้งหายจะรู้ตามเงินดำได้ก็มาเป็ น, นอย่างนี้จะทํำยังไงทรงชอบพระทยัย ในเมื่อปรากฏอันนี้ทีแรกนะถ้าพูดภาษาโลกเราเรียกว่าตื่นเต้นอะไ่างเี้ว่างกันเถ อ, อ, อะภาษาโลกเราเรียกว่าตื่นเต้นเพราะยังไม่ได้พิจารณาแยกออกไปตอนนั้นทีนี้กันเวลาพิจารณาเมื่อเป็นถึงขนาด น, นี้จะไปสอนใครได้ีทรงทําวามกว่าหน้นอยคือนี้ก็มันก็นย้อนภาพกันนียถ้าห า, าว่าสอนใารไม่ได้แล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สูตรที่แส ข, ของโลกแล้วเรารู้ได้ยังไงเรานระู้ได้เพราะเหตุไะ รู้ได้เพราะปฏิบัติธาเพราะการเมื่อนําฏิบัติธรรที่ไปสอนเขาทำไมจะรู้ไม่ได้ทางมีอยู่บันไดมีอยู่สอนมาที่คาดมาที่บันไดอยาพูดง่ายๆอ๋อชมมีแก่พระไทยที่สั่สอนสั่นโลกนันนะพอก้าพี่บ อ, อกปฏิบัติธรรู้ได้เพราะเหตุนั้นนั่นกันอ๋อได้เหรอทีน่นี่นีน่คือตัวพระกรมเนี่ยอันนั้นก็เป็นทั้งเด็ดทั้ง ม, มาก็ผมมาจะโรกาอะไรเงี้ยนั่นชมมีแก่พระไทยที่สัสอนสั่นโลก คนอันดับที่สองก็เป็นพมมาเจโรกาเพียงเลืออย่า ง, างาานั้ตัวเท่าหนูมันก็เป็นนหรดอว่าพระพุทธเจ้าเลยตัวเท่าหนูมันก็เป็นเวลาปรากฏขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไปสอนใครไปสอนใครก็จะว่าบ้าแน่อ <c oughs> ขนาดนี้แค่จะไปสอนใครใครจะไปรู้ไปเห็นได้มันสุดพิเศษว่า ใ, ใครจะไปรู้ได้ สนใครเขาจะว่าบ้าอูไปกินไปพอถึงวันตายแล้วไปซะเลยสบายดีก่หนาดไปเลยนอาเฮ้ยมั น, นมันยอดจรงที่มันย้อนเจ้าของกทีก็เมื่อเป็นนั้นโลก POW. เราเป็นไทยไม่ใช่โลกเลยแล้วเรารู้ได้ว่เหตุผลกลไอะไรอถ้าว่าใครจะไม่สามารถเล่าความสามารถมาจากไหนแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรหนาะคือพอย้อนมานี่บอกข้อการปฏิบ่ตินั้นก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนำข้อปฏิบัติหรือวิธีการที่สอนทำไมใครจะไปรู้ผมเรียนทั้งกาสอนอย่างนี้มันกันหนาจริงวิ่งไป นั่นแหละเรื่องมันจึงก็ขยายออกที่คายออกไปถ้าจะมาดูจะปวงปัจจุบันนี้ไม่ดูเหตุดูแต่ผลอันนี้แล้วก็อย่างว่าทําให้หดได้แต่นี้ผลก็เห็นมันเกี่ยวเนื่องกันนี่มันจะไม่พูดได้ไงมันจะไม่วิ่งถึงกันได้ไงมันก็ต้องวิ่งดินอยู่โดยดีแต่ว่าขนาดที่มันมันหยุดเกื้อหนึ่งก็เกึ้อของมันนะแต่พอเวลามันก็จะขยายขยายของมันกันรู้ได้ด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นก็เมื่อสอนนั้น้ทำไมจะรู้ไม่ได้หรอไหนงูเปลี่ยนไม่สลับซับซ้อนมากจริงๆ เอียดลเอียดมากเนาะวันนี้ก็ไปจุม ก, ก็แทยานานกทนน์กัมาน็ต้องเันดนี้นะพอั้งเปดทั้งผุ ด, ท, ดทั้งเทกวันนี้นี่ไปย้ำแนะนําต่างๆมือเพื่อนผมว่าก่อนขนาดไหนพอตจกกัดกาได้ผมก็จะจัดการอย่างนี้ท่านจุกุลถ้าธรรมดาของผมแล้วมันอยู่กัเล่นกับอะไรนะทุกวันนี้เห็นแข่เห็เนคนก็มานี่คือถ้าขันที่เราทรงอยู่ของเรานี่ มันพอเหมาะพอดีกับคอยแต่จะสูด้ดูอย่างนั้นนะนี่เวลาภาลักเข้ามาเพิ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มคนนั้นมาหาคนนี้นมามันมันเหมือนว่ามากดลงกดลงนไะงแต่ก็จะทําไงเราคิดเห็นใจเขา้าใจเราเทียบมันแล้วก็เชือกคานไปงั้นแหละตะเกียบตะกายสงคว้ากันไปลองคิดนะถึงครูบาอาจารย์แต่ก่อนเราไปมองเหท่านเหมือนจะไม่กระพริบตาเลยมองดูท่านสันมันนี่แหมมันดูท่านไม่อิ่มไม่พอนะ <laughs> เขาทั้งหลายก็คงเหมือนกันเราคิดอย่างนี้เลยบางวันเวลาแข็มันมากจริงจริงนี่มันสู้ไปไปจริงจริงก็เรานั่งรับตาให้เขากวห้บบคือมันหมดจริงๆกําลังกับหมดพูดออกมาไม่ได้แล้วโลกนี้จะกํำเริบ ม, มากขึ้นก็พูดเจ้ประโยคนึงเอาแล้วก็กลบเสียแล้วลงไปนั่งเฉยก็กมากลับแล้วก็ลงแล้วพวกนั่นขึ้นมาคณะนั่นขึ้นมาแล้วกลาบแล้วลงไปคณะนั่นขึ้นมากลับลงไปพูดไม่ได้สะสมเพราะเขา เพรมันจริงๆเลยนี่มันจะไม่ไหวแล้วหน้าตาย้าตายเข้าห้องทันทีเพาเรานั่งอยู่หน้าห้องะคือเรานั่งรู้เรายิ่งกว่าอะไรมันจะทนทานต่อไปได้หรือไม่ได้มันก็มีแต่ต้องพักก่อนอย่างเดียวเท่านั้นเพราอย่างนั้นก็ต้องทำตามนั้นมันแนกอยู่ในนี้อย่งเทศกาลว่าการถ้าแข้งแตกบนตังนั้นกันพูดไปเบ้งเบ้งเบ้งเบ้งไปมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาบางทีมันแยบขึ้นมา มันแยกขึ้นมาแล้วอายเลิกไฟเหลืองขึ้นแล้วใล่เลยเราก็กล่าบว่าว่าไปเลยมี่พวกนี้เขารู้แล้วล่ะอืมเขาไม่อะไระแต่ก่อนเขาก็อาจจะคิดบ้างแต่สําหรับผมเองมันไม่เป็นอารมณ์กับใครถ้าลงเหตุผลเป็นงไงว่าอย่างนั้นแล้วแล้วไปเลยอไม่เคยสนใจว่าใครจะมาเสียใจดีใจอะไรถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ทําไม่ได้นี่เราคิดด้วยเหตุด้วยผลทําเป็นเครื่องปกครองโลกเนีราเอาหลักเกณฑ์ของธรรมนี่เอาเหตุผลนี่เขาว่า ไปเลยนี่ก็มีรูปหลายองค์ครูบาอาจารย์ผมกราบนี่ผมกราบถึงเจ็ดหุนนะท่านทุกท่านคือผู้ที่เทำประสงค์แล้วก็กราบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอสมเด็จพระสังฆราชแล้าลคุณทํามเจดีท่านจี่คุณทํามเจดีนี่เป็นลูกจิตก้อนกุฏิของท่านอาจารย์มั่นนะมันจะเล็กๆ เ, เป็นเลน ท่านเคยพูดของผมฟังหลายครั้งเหมือนกันนะให้หมู่เพืนนะ่อนฟังเรก็ได้ฟังด้วยหมาจูมชื่อท่าน<ม>เป็นเนอยูด้วท่านอายุ12ปี<ม>ท่า น, านลอยฟังก็เราไปแล้วเอาไปสาวกรุงเทพนะ่ยไปเรียนหนังสือนะหมาจูมเนี่ยเจ้าคุณเทพเนี่ยท่านกตก่อน<ม>ตอนนั้นเป็นเทพท่านพูดคบขันนี้ถ้าเพราะท่านพูดแบบหน้าตาเฉยเนี่ยเนียนจูงเนี่ยเอาไ ป, ไปเรียนหนังสือยมันจะได้เป็นผู้ใหญ่บางนีนะ หูมันกลางๆเห็นหูกงๆลักษณะเป็นผู้ใหญ่นี่นี่เอาไปบวชเพราะเอาไปเรียนหนังสือที่อืนะมันจะได้มาเป็นผู้ใหญ่ท่านกอามันๆประมาณนั้เพราะท่านพูดด้วยความสนิทเนี่ยเอามันไปนั่นทเน่ไปเรียนหนังสือที่อื่นไปเรียนหนังสือที่อื่นตอนนั้นท่านก็เอาไปฝากเรียนหนังสือท่อื่นอยู่ที่วัดเทศนะมหาจุนหนังสือเน่าสอบตกสอบตัวบือง้นพ่อกัรมาก็ มันมาเป็นเจานา้าคณะมณฑลยูดอนอพอดีระยะ น, นั้นก็ท่านอาจารย์สาวสัาจารมั่นก็มาพักแถวบ้านคออำเภอบ้านผือนี่พอดีเลยอุ้ยท่านไปน่เหมือนเน้นน้อยประหาอาจารย์นั่นแหละมนี่ยเลื่อยมาท่านอาจารย์มั่นมาอยู่ทางสกลนี่ก็ท่านต้องไปปีละสองหนออกภรรษาแล้วหนหนึ่งแล้วเดือนประมาณเดือนพฤษภาไปอีกหนึ่ง เขาอยู่ลึกนี้นะเดินทางตั้งวันตั้งเดือนก็จะไปถึงนะเด็กน้องผือก็ดเดินตั้งวันะก่อนไม่มีทางทางมีกระทางน้อทางเตือนทางคนเดินเอามาอยู่จากจังใหม่มาอยู่นี่ก็ท่านจะคุณเนี่ไปเอามาที่นี่มลมามาอยู่อุดอนถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราคงไม่ได้กราบท่านหลแถวนี้ก็จะหลังไหลที่ไปกราบจังใหม่คนมีวาสน า, าก็ได้กราบไม่มีวาสน า, าก็ไม่ได้กราบท่านจะคุณน่าจะดีเอามา ท, ที่วัด นวนิเวศนี่สองปีแล้วท่านครับใ ไ, ไประยู่ธ์ส ก, กุนครแปดปีก็สิ้นใครมีข้อางใจอะไรบ้างเอามามะมีไหมถ้มีก็เลิกกันละเป็นเลิกแล้วนะเอาละเลิกกัน